1. บทสรรเสริญพุทธคุณข้าขอนอบน้อมแด่องค์พระชินสีพระผู้ไม่มีผู้ใดเทียมซึ่งประกอบด้วยคุณอันหาประมาณนม้ได้ความรอบรู้ของท่านหามีผู้ใดเปรียรบพระผู้ซึ่งได้แสดงให้สรรพสัตว์ทั้งหลายเห็นแจ้งชัดว่าสังขารทั้งหลายสิ่งที่เกิดขึ้น โดยอาศัยเหตุปัจจัยปรุงแต่งนั้นปราศจากธรรมชาติอันแท้จริงของตัวมันเองเพราะเหตุที่ท่านได้แจ้งชัดในความไม่มีตัวตนของปรากฏการ์ทั้งหลายโดยวิถีทางแห่งมหายานท่านจึงได้ส่งแสดงสิ่งนี้แก่ผู้ฉลาดพระโพธิสัตว์เพื่อไม่ให้ท่านเองเองียงไปเพราะเมตตาเพียงอย่างเดียว ท่านได้ทรงกล่าวว่าสิ่งใดที่เกิดขึ้นโดยต้องอิงอาศัยเหตุปัจจัยอหลากหลายสิ่งนั้นมิได้มีจุดกําเนิดเริ่มต้นท่านได้ทรงแสดงให้เห็นอย่างแจ้งชัดอีกว่าสิ่งนั้นละ่ะมันมิอาจเกิดขึ้นได้โดยธรรมชาติของตัวมันเองและนี่ก็คือความว่างเปล่าจากตัวตนเหมือนเช่นในโลกนี้ เสียงสะท้อนจะเกิดขึ้นได้นั้นย่อมต้องอิงอาศัยเสียงอันเป็นเหตุนำเช่นเดียวกันสิ่งทั้งหลายก็ปรากฏขึ้นราวกับภาพมายาหรือพยับแดดหากว่าทุกสิ่งนั้นเป็นดั่งเช่นภาพมายาพยับแดดเมืองสวรรค์ความฝันและภาพสะท้อนอันเป็นสิ่งที่ไร้การเกิด เช่นนั้นมันก็ย่อมไม่สามารถมีการเห็นที่แท้จริงและการรับรู้อื่นๆเมื่อสิ่งทั้งหลายที่ปรากฏขึ้นโดยอาศัยเหตุปัจจัยนั้นถูกยอมรับว่าคือสิ่งปรุงแต่งโอ้ข้าแต่พระผู้ปกป้องท่านก็ได้ทรงกล่าวไว้อีกว่าเหตุปัจจัยทั้งหลายจะมีอยู่ก็โดยสมมุติเท่านั้น แต่สิ่งนี้กับไร้ความหมายสำหรับผู้ที่มีจิตใจอ่อนแอและทำให้พวกเขากลับหลงคิดไปว่าสิ่งที่ถูกสร้างขึ้นโดยเหตุปัจจัยนั้นมีอยู่จริงแท้อย่างครบถ้วนเหมือนกับกำปั้นซึ่งแท้จริงนั้นว่างเปล่าซึ่งนี่เป็นความเห็นที่ผิดหากสิ่งที่ปรุงแต่งนั้นไม่ได้เกิดขึ้นแล้วมันปรากฏอยู่ได้อย่างไร หากสิ่งที่เกี่ยวข้องกับมันโดยความเป็นเหตุดับไปแล้วสิ่งนั้นจะสัมพันธ์กับสิ่งที่จะเกิดขึ้นได้อย่างไรสิ่งสิ่งหนึ่งย่อมมิได้เกิดขึ้นจากตัวมันเองจากสิ่งอื่นหรือจากทั้งสองไม่ว่ามันจะเป็นสิ่งที่มีอยู่สิ่งที่ไม่มีอยู่หรือเป็นทั้งสิ่งที่มีอยู่และไม่มีอยู่ แล้วเช่นนั้นสิ่งทั้งหลายจะเกิดขึ้นได้อย่างไรสิ่งที่ไร้การเกิดย่อมไม่มีแก่นแท้ของตัวมันเองดังนั้นมันจะเกิดขึ้นจากตัวเองได้อย่างไรรวมทั้งมันย่อมไม่สามารถเกิดขึ้นจากสิ่งอื่นด้วยเพราะมันชัดเจนอยู่แล้วว่ามันไม่มีธรรมชาติอันเป็นแก่นแท้ของตัวมันเอง หากมีแก่นแท้ของตัวเองก็ย่อมมีแก่นแท้ของสิ่งอื่นหากแก่นแท้ของสิ่งอื่นและแก่นแท้ของตัวเองสามารถมีอยู่ท่านกล่าวว่าทั้งสองสิ่งนั้นมีอยู่ได้เนื่องเพราะมันเกี่ยวเนื่องซึ่งกันและกันเฉกเช่นฝั่งใกล้และฝั่งไกลสิ่งที่ไม่ได้สัมพันธ์เกี่ยวเนื่องกับสิ่งใดสิ่งนั้น จะมีอยู่ได้อย่างไรตัวอย่างเช่นหากไม่เกี่ยวเนื่องกับยาวแล้วสั้นจะมีอยู่ได้อย่างไรเมื่อมันมีความมีอยู่มันก็มีความไม่มีอยู่เช่นเดียวกับเมื่อมีสั้นก็มียาวเนื่องเพราะความมีอยู่มีได้ก็ต่อเมื่อมีความไม่มีอยู่ดังนั้นทั้งสองจึงไม่ได้มีอยู่ ความเป็นหนึ่งและความหลากหลายอดีตและอนาคตและอื่ น, นๆทํานองเดียวกันความมัวหมองและความบริสุทธิ์ถูกและผิดสิ่งเหล่านี้จะมีอยู่โดยตัวมันเองได้อย่างไรเมื่อสิ่งที่มีอยู่จริงมิอาจมีอยู่ได้จริงโดยตัวมันเองมันก็ย่อมไม่สามารถมีอยู่ได้จริงโดยอิสระ สิ่งที่เรียกว่าสิ่งอื่นก็มีอาจมีอยู่โดยปราศจากธรรมชาติอันเป็นแก่นแท้ของตัวมันเองเช่นกันเมื่อมันไม่มีสิ่งอื่นมันก็ย่อมไม่มีสิ่งที่มีธรรมชาติของตัวมันเองเช่นนั้นแล้วตัวตนแบบใดกันที่จะเป็นสิ่งให้มันอิงอาศัยเนื่องเพราะสิ่งทั้งหลายมีต้นกาเนิดเดียวกัน และเข้าสู่นิพพานโดยธรรมชาติของตัวมันเองท่านจึงได้กล่าวว่าปรากฏการ์ทั้งหลายโดยความเป็นจริงแล้วล้วนไร้การเกิดท่านได้แสดงให้เห็นว่ารูปและนามนั้นล้วนปราศจากธรรมชาติอันเป็นแก่นแท้ของตัวมันเองเชกเช่นฟองน้ำภาพมายาหมู่เมฆพยับแดก แลละต้้นกวยหากสิ่งที่รับรู้ได้ด้วยความรู้สึกคือความจริงเด็กๆย่อมมีความรู้ในความเป็นจริงทั้งหลายได้เองแล้วความรู้ในสัจธรรมที่ท่านสอนจะมีค่าอันใดท่านได้กล่าวว่าความรู้สึกรับรู้ที่มีอยู่นั้นพระมัวเชื่อถือนี้ได้ไม่แน่ชัด และมีความเข้าใจอันผิดพลาดเพราะพระพุทธองค์ท่านรู้ชัดว่าไม่มีใครที่ได้เข้าถึงสัจจะความจริงท่านจึงได้กล่าวว่านี่เป็นเหตุผลที่ว่าทำไมโลกจึงถูกปกคลุมไปด้วยความหลงแห่งอวิชชาความมีอยู่จริงเป็นความเชื่อของพวกสัจจะทิฐิความไม่มีอยู่ ความว่างเปล่าดับศูนเป็นความเชื่อของพวกอุเฉตทิฏฐิแต่ท่านได้แสดงธรรมที่เป็นอิสระแล้วจากความสุดต่งทั้งสองดังนั้นท่านจึงกล่าวเสมอว่าปรากฏการณ์ทั้งหลายนั้นอยู่นอกเหนือรูปแบบทั้งสี่มันไม่สามารถรู้ได้ด้วยความรู้สึกรับรู้และมีส่วนน้อยที่จะอยู่ในขอบเขตของภาษา เหมือนกับความฝันภาพมายาหรือการเห็นเงาพระจันทร์ในน้ำเช่นกันท่านมองโลกนี้ว่าเป็นเพียงการปรุงแต่งสร้างสรรค์ไม่ใช่สิ่งที่จริงแท้เหมือนบุตรที่เกิดและตายไปในฝันท่านได้กล่าวไว้ว่าโลกนี้ไม่ได้มีการเกิดขึ้นตั้งอยู่และดับไปจริงๆ ในความฝันนั้นไม่ว่าสิ่งใดที่เกิดขึ้นล้วนเป็นผลมาจากเหตุท่านกล่าวว่าทุกทุกสิ่งก็เป็นเช่นนี้ทั้งในจุดกำเนิดและจุดสลายไปของมันท่านกล่าวว่าความทุกข์ล้วนเกิดจากปัญหาและปัจจัยอื่นๆร่วมกันเช่นเดียวกับกิเลสทั้งหลายความทุกข์ในสังสารวัฏ ความสมบูรณ์ของบา ร, รมีที่สร้างสมและแม้กระทั่งความรู้แจ้งหลุดพ้นทั้งหมดล้วนเป็นดั่งเช่นความฝันเมื่อเข้าใจว่ามันมีการเกิดขึ้นหรือมิได้เกิดขึ้นมีอยู่หรือหายไปยึดติดหรือหลุดพ้นจริงๆนั่นเขาย่อมยังคงติดอยู่ในความเป็นคู่ ซึ่งไม่อาจจะรู้ความจริงได้เลยแล้วสิ่งที่ไม่ได้เกิดขึ้นจะเข้าสู่นิพพานได้อย่างไรเพราะมันเป็นดั่งเช่นช้างปลอมดังนั้นในความเป็นจริงมันจึงสงบสันติอยู่แล้วแต่ต้นช้างปลอมนั้นแม้ว่าจะดูเหมือนเกิดขึ้นแต่โดยความเป็นจริงแล้วไม่ได้เกิดขึ้นทำนองเดียวกัน สรรพสิ่งดูเหมือนเกิดขึ้นแต่โดยความเป็นจริงแล้วก็ไม่ได้เกิดขึ้นเช่นกันพระผู้ปกปองโลกจำนวนนับไม่ถ้วนได้ชี้นำสรรพสัตว์มากมายเพื่อเข้าสู่นิพพานแต่ในความเป็นจริงแล้วมิได้มีสรรพสัตว์ใดเลยที่หลุดพ้นเพราะพวกท่านเหล่านั้นโอ้ข้าแต่พระพุทธองค์ ท่านก็ได้กล่าวไว้อย่างแจ้งชัดแล้วนี่ว่าในเมื่อสรรพสัตว์ทั้งหลายที่ว่าได้เข้าสู่นิพพานนั้นโดยความเป็นจริงแล้วมันไม่ได้เกิดขึ้นเลยมันจึงไม่มีใครที่หลุดพ้นได้โดยใครเช่นเดียวกับสิ่งที่นักมายากลเสกขึ้นนั้นมันล้วนว่างเปล่าสิ่งอื่นๆในโลกรวมทั้งผู้สร้างเองท่านก็ได้กล่าวไว้ว่า มันล้วนว่างเปล่าเช่นกันผู้สร้างย่อมถูกสร้างโดยผู้อื่นซึ่งผู้สร้างนั้นก็ย่อมไม่สามารถหลีกเลี่ยงการถูกสร้างได้นั่นก็หมายความว่าผู้สร้างเองก็คือผู้ที่ถูกสร้างนั่นย่อมแสดงว่าความเป็นผู้สร้างนั้นมิได้มีอยู่จริงท่านได้กล่าวว่าทุกๆุกสิ่งมันเป็นเพียงชื่อ ไม่มีสิ่งใดที่ถูกแสดงด้วยคำพูดที่จะมีอยู่ต่างหากจากการแสดงคำพูดนั้นนั่นหมายความว่าท่านได้ประกาศว่าปรากฏการ์ทั้งหลายล้วนเป็นเพียงนามธรรมแม้ว่าในนามธรรมนั้นมันจะถูกพิจารณาว่าเป็นสุญญาตาท่านก็ได้แสดงว่ามันไม่ได้มีอยู่จริง สิ่งซึ่งอยู่นอกเหนือความเป็นคู่ของการดำรงอยู่และการไม่ดำรงอยู่ซึ่งโดยตัวมันเองแล้วย่อมปราศจากการนอกเหนือทั้งปวงด้วยสิ่งซึ่งไม่ใช่ความรู้หรือเรียนรู้ได้ไม่ใช่มีอยู่หรือไม่มีอยู่ไม่ใช่หนึ่งหรือหลากหลายไม่ใช่ทั้งคู่หรือไม่ทั้งคู่ สิ่งซึ่งปราศจากรากฐานมิได้มีการปรากฏไม่อาจจะคาดคิดเดาได้หาที่เปรียบไม่ได้สิ่งซึ่งมิได้เกิดขึ้นมิได้หายไปไหนมิอาจถูกทำลายและมิได้คงที่ถาวรสิ่งซึ่งเป็นเหมือนดังเช่นความว่างซึ่งมิได้อยู่ในขอบเขตของคำพูดหรือความรู้ใดๆก็สิ่งนั้นแหละ คือปฏิจจสมุปบาทการเกิดขึ้นโดยอิงอาศัยเหตุปัจจัยคือสิ่งที่ท่านยืนยันว่าเป็นสุญญาตาคือหลักธรรมอันแท้และตถตาก็คือสิ่งนั้นมันถูกยอมรับว่าเป็นสัจธรรมอันแท้จริงความหมายอันยิ่งความเป็นเช่นนั้นเองและความจริงแท้ มันเป็นสิ่งที่ไม่อาจจะโต้แย้งได้ใครก็ตามที่ตื่นแจ้งต่อสิ่งนี้ย่อมชื่อว่าพุทธะดังนั้นมันจึงไม่ได้มีความแตกต่างที่แท้จริงระหว่างโลกของสรรพสัตว์กับโลกของพระพุทธเจ้าทั้งหลายท่านจึงยังคงะดุงไว้ซึ่งลักษณะอันเป็นของตัวท่านเองและของผู้อื่น สุญญาตามีได้แยกต่างจากสรรพสิ่งและมันก็ไม่ได้มีสิ่งใดที่ปราศจากสุญญาตาดังนั้นท่านจึงได้แสดงไว้ว่าการเกิดขึ้นโดยอาศัยเหตุปัจจัยปรุงแต่งนั้นก็คือสุญญาตาสมมติทั้งหลายล้วนเกิดขึ้นจากเหตุและปัจจัยอลากหลายและมันเป็นสัมพันธภาพ ดังนั้นท่านจึงพูดถึงสัมพันธภาพเหล่านี้แต่อย่างไรก็ตามสิ่งอันเป็นความหมายอันสูงสุดนั้นก็มิใช่เกิดจากการปรุงแต่งมันยังได้ชื่ออื่นอีกว่าแก่นแท้ของตัวมันเองธรรมชาติสัจจะแก่นสารสิ่งที่แท้และสิ่งจริง สิ่งที่ถูกคิดจินตนาการขึ้นนั้นไม่ได้มีอยู่จริงแต่สัมพันธภาพนั้นๆเราพบได้อยู่ท่านได้ทรงยืนยันว่าคุณลักษณะต่างๆที่เราพูดถึงสิ่งที่เกิดจากการคิดจินตนาการนั้นมีอยู่แต่ได้ปฏิเสธในคำกล่าวที่ว่าสิ่งปรุงแต่งนั้นไม่ได้มีอยู่เพราะว่ามันว่างเปล่าดับศูนย์ เมื่อเห็นแจ้งในสัจธรรมท่านจึงทรงยืนยันว่ามันไม่มีความว่างเปล่าแบบดับศูนย์หรือความเที่ยงแท้ถาวรโลกทั้งปวงนั้นว่างเปล่าจะแก่นสารเชกเช่นพยับแดดพยับแดดมันไม่ได้มีตัวตนอันถาวรหรือว่างเปล่าแบบดับศูนย์แบบไม่มีอะไรเลยสิ่งที่มีอยู่ทั้งปวง ก็มิได้มีตัวตนอันถาวรหรือว่างเปล่าแบบดับศูนย์เช่นเดียวกันผู้หลงยึดในสิ่งที่ปรากฏอยู่ว่าจริงย่อมถูกลวงหลอกด้วยความเห็นในเรื่องความว่างเปล่าแบบดับศูนย์และความเที่ยงแท้ถาวรและย่อมหลงยอมรับในเรื่องการมีขอบเขตและการไรขอบเขตของโลก มันย่อมมีสิ่งถูกรู้เมื่อมันมีการรู้มันย่อมมีการรู้เมื่อมันมีสิ่งถูกรู้เมื่อทั้งสองมิได้เกิดขึ้นแล้วจะมีอะไรให้รู้แจ้งเล่าด้วยคำสอนอันแจ้งชัดโดยผ่านการเปรียบเทียบเช่นภาพมายาและอื่นๆเช่นนี้พระผู้เป็นหมอชันเลิศจึงได้แสดงพระสัตธทรรมอันประเสริฐ เพื่อรักษาความหลงผิดทั้งปวงความจริงอันยิ่งนั้นคือคำสอนที่ว่าสัพปสิ่งล้วนปราศจากธรรมชาติอันแท้จริงของมันเองนี่คือยาอันล้ำเลิศสําหรับผู้ที่ป่วยด้วยโรคแห่งการยึดมั่นในความจริงดังนั้นข้าแต่พระผู้ประทานธรรมท่านได้เมตตาประกาศธรรมแก่โลกทั้งสาม อันเป็นธรรมอันรรประเสริฐกระจ่างแจ้งและไร้อุปสรรคขวางกัน้นท่านได้เปล่งเสียงบรรลือสิงหนาฏแห่งความไม่มีตัวตนซึ่งช่วยกำจัดความกลัวทั้งหลายอันเกิดจากการหลงเชื่อในความมีอยู่ของสิ่งต่างๆและทําให้เหล่ากวางน้อยทั้งหลายพวกศัสตะทิฏฐิบังเกิดความตื่นตรโน ท่านได้ทรงลั่นกลองแห่งธรรมส่งเสียงสัจธรรมอันลุ่มลึกแห่งสุญญาตาท่านได้ทรงเป่าประโคมห้อยสังแห่งธรรมด้วยท่วงทานองอันแจ้งชัดแห่งความไม่มีธรรมชาติอันแท้จริงของสรรพสิ่งท่านได้ทรงป่าประกาศธรรมเป็นของขวัญอันเป็นน้ำำําอมฤตแห่งคําสอนของพระพุทธเจ้า ความหมายสุดท้ายอันลึกซึ้งได้ถูกเปิดเผยว่าปรากฏการ์ทั้งหลายล้วนว่างเปล่าแต่สำหรับคำสอนที่เกี่ยวกับการเกิดขึ้นดับไปและอื่นๆคำสอนที่เกี่ยวกับเรื่องชีวิตของสรรพสัตว์และเรื่องในทํานองเดียวกันที่มีความหมายอันจําเป็นต้องตีความข้าแต่พระพุทธองค์ ท่านได้ส่งเรียกสิ่งเหล่านี้ว่าสมมุติผู้ที่ถึงฝั่งอันไกลโพ้นของมหาสมุทรแห่งปัญญาอันสมบูรณ์ได้ในที่สุดย่อมดำรงอยู่ท่ามกลางอั ญ, ญมณีแห่งกุศลบารมีอันล้ำค่ารอบรู้อย่างเต็มที่ด้วยมหาสมุทรแห่งปัญญาของท่านด้วยกุศลบารมีที่เกิดขึ้นจากการกล่าวสรรเสริญคุณพระสัมมาสัมพุทธเจ้า พระผู้มีคุณธรรมอันหาที่สุดหาประมาณไม่ได้พระผู้เป็นผู้นำทางของสรรพสัตว์ทั้งหลายอันไม่มีผู้ใดเทียมขอสรรพสัตว์ทั้งหลายจงกลายเป็นเช่นท่านในที่สุดโดยโทวหน้าด้วยเถิ